เปิดใหม่เปิดหน้าหนึ่งเลยนะต่อผู้ที่เรียนก่อนก็คือทบทวนของเก่ากันแล้วกัน <c oughs> คือตามลักษณะของคำพีเนติปกรณ์นี้ <c oughs> มีอยู่สี่วาระด้วยกันเนไหยคำพีเนติปกรณนะคือสังหาวาระสังหาวาระนั้นก็คือการสรุปใจความของคำพี ส่วนวาระที่สองคืออุเทศสวาระว่าด้วยหัวข้อหัวข้อของเนื้อหาโดยสรุปส่วนที่สาก็คือนิเทศคือขยายแต่ขยายแบบย่อนะนิเทศสวาระนะขยายแบบย่อนิเทศสวาระนี้อยู่หน้าห้าขยายแบบยอ่อส่วนหน้าเก้าเป็นปฏินิเทศขยายแบบที่สดงนี่นะ แล้วก็แบ่งอยู่สี่ระดับด้วยกันนะระดับสรุปใจความเลยเรียกว่าสังฆาวาระอุเทศก็ยกแต่เฉพาะหัวข้อนิเทศก็ขยายโดยย่อปฏินิเทศขยายโดยพิสดารเพราะงั้นก็แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกันแล้วก็ในตอนท้ายซึ่งผู้ที่รวบรวมหรือแปลคัมภีร์นี้ได้เอาอคำแสดง เนติหรือว่าหาระโดยย่อมาให้เนี่ยนะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นหลักในการศึกษาอย่างดีพอสมควรนี่เรามาขึ้นสังหาวาระเลยนะวาระแรกเลยที่พูดถึงโดยย่อในคาถาแรกว่าชาวโลกพร้อมทั้งทวยเทพผู้รักษาโลกย่อมนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ใดในการทุกเมื่อ บันเดิดทั้งหลายพึงทราบคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นอันนี้เป็นคํานอบน้อมพระรัตนตรัยนะเป็นคํานอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นคํานอบน้อมพระธรรมและก็นอบน้อมพระสงฆ์ย้อนมาว่าแบ่งเป็นว่าชาวโลกพร้อมทั้งถวยเทพผู้รักษาโลกคําว่าชาวโลกโลกในที่นี้ได้หมายถึงหมู่สัตว์เห็นไหมหมู่สัตว์คือเป็นที่ดูผลแห่งบุญแห่งบาปเห็นไหม ก็คือสรัรพะสัตทั้งหลายนั่นเองสัพพะสัตทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาผู้รักษาโลกคําว่าเทวดานี่เราเคยแบ่งนะแบบสมมุติเทวดาอย่างต่อไปอีกอเทวเทวดาที่เป็นอุปติเทวดาทีนี้สมมุติเทวดาก็คือพระราชามหากษตริย์ทั้งหลายพระราชามหากระสัทั้งหลายท่านก็เรียกว่าเป็นผู้รักษาโลกไนหะ คือรักษาหมู่ประชากรใช่ไหมดงนั้นกษัตริย์เป็นต้นก็ถือว่าเป็นผู้รักษาโลกหรือเท้าจัตุถ้าเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมะนะเท้าจัตุโลกบาลเป็นผู้รักษาโลกคือรักษาโลกรหรือรักษาสวรรค์ชั้นจารุมเนี่ยนะรักษาหมู่ uh, พวกนาบพวกครุดพวกยักษ์ทั้งหลายแหลท่ที่ที่เป็นบริษัทของสวรรค์ชั้นจานตุมเท้าจัตุโลกบาลเป็นผู้รักษาถ้าสวรรค์ชั้นดาวดินใครรักษา ท้ า, า linkage, สักกะเนี่ยนะท้าสักกะเป็นผู้รักษาลกูกถ้าสวรรค์ชั้นยามาก็เท้าสุยา ม, ม, าาามเป็นผู้ดูแลรักษาถ้าสวรรค์ชั้นดุสิตเท้าสันดุสิตเป็นผู้รักษาถ้าสวรรค์ชั้นนิมมานรดีก็เท้าสุนิมเนี่ยนะสุนิมะเนี่ยเป็นผู้รักษาถ้าสวรรค์ชั้นพระปรนิมิตาวสวัตดีเนี่ยนะก็มีเท้าปรนิมเนี่ยเป็นผู้รักษา ถ้าพรห ม, มโลกก็มีเท้ามหาพรหมเป็นผู้รักษาก็จะมีพรหมชั้นสูงรักษากันเรื่อยๆซึ่งคาถานี้แปลว่าสัพพะสัตวทั้งหลายในสามภพทั้งที่เป็นกามภพรูปภพและอรูปภพทั้งหมดเหล่านี้นะท่านย่อมนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเอาถามว่าทําไมเลยไปถึงอรูปภพด้วยเพราะว่าพระอริยะที่ไปเกิดในอรูปภพมีอยู่ท่านเหล่านั้นก็ยังนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า เพระนั้นผู้ที่นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าโลกทั้งสามอันนี้หมายถึงผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่นอบน้อมพระพุทธเจ้าอนอบน้อมเนี่ยปกติก็เป็นการนอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจาและนอบน้อมด้วยใจนอบน้อมด้วยกายก็คือการยกมือไหว้การกราบเนี่ยนะหรือการแบบไทยก็ก้มหัวให้เนี่ยนะอันนี้ก็เชื่อว่านอบน้อมด้วยกายหรือหลีดทางให้อะไรให้ใหเดินโค้งเดิน อะไรนะเดินแบบย่อตัวนะแสดงสัมมาคารวะนะอันนี้เรียกว่านอบน้อมด้วยกายถ้านอบน้อมด้วยวาจาก็คือกล่าวกล่าวคํานอบน้อมเช่นนะโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะคําพูดเหล่านี้แสดงถึงความนอบน้อมทางวาจาส่วนนอบน้อมทางใจก็คือระลึกถึงตั้งเอาไว้ในเป็นฐานะที่หนักแน่นทําจิตของเราให้อ่อนอะนะทำท่านเป็นที่เคารพเป็นที่ยําเกรงแล้วก็ทําจิตของเราให้อ่อน อย่างนี้เขาเรียกว่านอบน้อมทางใจทีนี้โลกกับทั้งเทวโลกเหล่านี้ไม่ได้นอบน้อมแต่เฉพาะกายวาจาใจอย่างเดียวยังบูชาด้วยซึ่งบูชานี้ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างในชะการบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอมิตสบูชากับด้วยการปฏิบัติบูชา บ, บ, บ, บ, บูชาแบบอมิตสบูชาก็คือเนี่ยดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟข้าวน้ํา พวกนี้เป็นต้นนะนะเพื่อทําพุทธบูชาเช่นเวลาไปเวียนเทียนนี่เราก็ยกธูปเทียนเป็นต้นใช่ไหมพวกนั้นก็คือเครื่องบูชาบางท่านก็ชอบไฟเนี่ยนะบูชาด้วยประทีปบางท่านก็บูชาด้วยข้าวด้วยน้ําก็แล้วแต่ศรัทธาบางท่านนะตามแต่วัตถุทั้งหลายที่มีอยู่อันนี้อย่างเรียกว่าบูชาด้วยอมิตรอย่างที่สองก็ บ, บูชาด้วยการปฏิบัติตั้งใจจะทําพุทธบูชาด้วยการ Way, ตั้งแต่สมาทานเบนจะศีลขึ้นไปเนี่ยนะเรียกว่าการปฏิบัติบูบชาขอสมาทานศีลห้าเป็นพุทธบูชาเนยนะสมท า, านศีลแปดเป็นพุทธบูชาหรือรักษาศีลสิบเป็นพุทธบูชาหรือบวชเป็นสัมมาเนนเป็นพุทธบูชาบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติ ต, ตามเจตุปปาริสุทธิศลเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดจนถึงส ม, มะถะวิปัสนาทั้งหลายที่บุคคลเจริญเพื่อทําเป็นพุทธบูชานะ่ยนะ ก็แบ่งออกเป็นบูชาด้วยกายวาจาใจหรือบูชาด้วยอมิตรเนี่ยนะหรือบูชาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสันเสริญการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่จริงๆแล้ว ส, รรสัตว์ประสาททั้งหลายตั้งแต่บริษัทหรือชาวโลกในทุกในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสัตว์ในอบายนะพญานาคทั้งหลายก็บูชาพระราชาของหน้าก็ทำพุทธบูชามนุษย์ทั้งหลายก็บูชาพระราชาของหมู่มนุษย์ก็บูชา เทวดาชั้นจะตุมพร้อมทั้งผู้รักษาในสวรรค์ทุกชั้นเลยนะพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งเ ท, เทพระเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ทุกชั้นบุคคลเหล่านั้นท่านก็เคารพพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้นอบน้อมพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะเคยพบข้อความอยู่แห่งหนึ่งก็บอกว่า ที่แรกของมาเข้าใจว่าเกสาธาตุกับโลมาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยไฟไหม้หมดแต่จริงแล้วไม่เกสาธาตุกับโลพระโลมาธาตุเนี่ยนะไปอยู่ตามจักรวาลต่างๆเทวดาที่มาจากจักรวาลต่างๆเนี่ยเอาไปเนี่ยนะเอาไปทําเป็นพุทธบูชานะทั้นพวกพระธาตุนะพระโลมาธาตุเกสาธาตุ ยอยู่ไปอยู่ตามจั ก, กราวาลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไหว้ทิศไหนนะไหว้ถูกพระพุทธเจ้าหมดขอให้ตั้งจิตนอบน้อมเถอะเพราะอะไรเพราะว่าพระพระสรีระธาตุเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปหมดจะมารวมตัวอีกครั้งคือวันที่หมดพุทธเขตนี้นะธาตุเหล่านั้นจะมารวมตัวกันใหม่เพื่อที่จะถูกเตโชธาตุเผาอีกครั้งหนึ่งจะได้หมดสิ้นนะนั่นรออีกครั้งหนึ่งขอให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าเถอะไหว้ได้ทุกทิศนะ พระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐถามว่าพระองค์นี้ประเส ร, ริฐยังไงคือประเสริฐกว่าบรรดาพุทธะทั้งหลายพุทธะนี้มีสี่ศัพท์นะสีท่านพุทธะอย่างที่หนึ่งก็คือสุตตะพุทธะพุทธะนี้ขอบเขตคือรู้อริยสัจผู้รู้อริยสัจเรียกว่าพุทธะพุทธะที่รู้อริยสัจโดยการฟังนี้เรียกว่าสุตตพุทธะสุตตะที่พุทธะ ท, ท, ที่บรรลุตามเรียกว่าอะไรสาวก พ, พุทธะ ตรัสรู้เองแต่สอนผู้อื่นไม่ได้เรียกว่าปัจเจกกับพุทธะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลเหล่าอื่นๆพวกนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลประเภทสัมมาสัมพุทธะประเสริฐกว่าพุทธะเหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยนะประเสริฐกว่าสุตตะพุทธะประเสริฐกว่าสาวกพุทธะประเสริฐกว่าปัจเจกกับพุทธะพระพุทธเจ้าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าด้วยกันนั้นจึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นสรุปว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพสการะจากเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดแม้กระทั่งท่าอริยะทั้งหลายท่านก็เคารพพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะอย่างที่จริงๆแล้วท่านพูดคํานี้ได้ตั้งแต่ท่านคลอดใหม่ๆนะอโคหามัสมิเซโทเจโทโลกาสะเนี่น oh am ยนะบอกว่าเราเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะจริงๆแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เลิศจริงๆเนี่ยนะ ทนี้บัณฑิตเพ่งทราบคําสั่งสอนหรือเพ่งทราบคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคําสอนที่นี้หมายถึงพระธรรมเนี่ยนะที่เป็นพระธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนอะไรบ้างคําสอนอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะคือว่าโดยย่อๆรวมๆเนี่ยนะคาสอนพระพุทธเจ้าสอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งพระไตรปิฎกคือคําสอนด้วยประโยชน์สาม ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งถามว่าประโยชน์โลกนี้ไม่ใช่ลักษณะกอบโกยแต่เป็นคำสอนลักษณะว่าทำอะไรประโยชน์โลกนี้อย่าลืมโลกหน้านะถึงแสวงห้าโลกแสวงหาโลกหน้าก็อย่าลืมประโยชน์สูงสุดด้วยนะท่านเป็นการชี้ประโยชน์โลกนี้ไม่ให้ขัดกับประโยชน์โลกหน้าชี้ประโยชน์โลกหน้ามีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนนะ อันนี้เป็นคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าโดยย่อๆคือสอนว่าด้วยประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วสอนยังสอนพร้อมทั้งเหตุและผลเช่นสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมแยกกุศลและอกุศลทั้งวิบากของกุศลและอกุศลแยกหมดเลยเนะท่านถ้าแยกตามว่ากุศลอกุศลวิบากของกุศลอกุศลเข้ากับว่าอภิธรรมปิฎกมาหมดเลย กุศนะลาธรรมมากุศลธรรมมาอัพยากตธรรมมามาหมดเลยนะนั้นพระพุทธเจ้านี่สอนหมดแต่ว่าโดยรวบยอดแล้วคำสอนของพระองค์ก็สว่าขาโตแสดงไว้ดีแล้วทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพร อ, องค์ตรัสไว้ดีหมดเลยสันธิท่ทโกโดยเฉพาะโลกุตระธรรมผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอนะอากาลิโกผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงมัชจะให้ผลไม่มีระหว่างขั้น อนนะโอปะนยิโกก็คือน้อมจิตของตนไปเพื่อบรร ล, ลุญมักน้อมจิตไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานเอหิปัสสิโกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรียกให้คนอื่นดูได้แต่ใครอ่ะที่รู้ได้ก็เวทิตัปโพวินยูหิตวินยูชนคืออุคติตันญูวิปัญจิตันญูและนัยะบุคคลจึงจะรู้ได้นนะส่วนบุคคลที่อื่นก็ได้ฟัง ทีนี้ถามว่าผู้ที่รู้ทราบตัวนั้นเนี่ยแปลว่ารู้คําสอนถามว่าผู้ใดเป็นผู้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนคานี้หมายถึงภาษาวกอย่างเดียวนะคนที่จะทราบคําสอนได้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจผู้ที่เห็นภาอริยสัจเห็นอริยสัจก็คือภาษาวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะในคําว่าชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็คือในความสูงสุดของพระพุทธเจ้าบัณฑิต ในนั้นหมายถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นผู้ทราบคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี น, นะก็ของเราก็บัณฑิตเหมือนกันแต่บัณฑิตน้อยๆนะคือยังไม่ได้บันดิตแท้อะไรก็เปลี่ยนไปเป็นพานเมื่อไหร่ก็ได้ น, น, นะนะเพราะถ้าตอนฟังธรรมก็บัณฑิตหน่อยโลภโทสะไม่เกิดนี่ก็เป็นบัณฑิตใช่ไหมพอเกิดเมื่อไหร่ก็พานเข้าครอบงำ น, นะก็ว่าบัณฑิตพานเป็นพักๆไป แต่ถ้าเป็นบัณฑิตแบบพระอริยสาวกท่านก็บัณฑิตตลอดนะท่านไม่ทา น, นะท่านก็เลยรู้แทงตลอดคําสอนซึ่งคําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆก็คือธรรมะที่ควรรู้ยิง่งธรรมะที่ควรกําหนดรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรทําให้แจง้งเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งเป็นกลุ่มลักษณะนี้ผู้ที่รู้ยิง่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งจริงกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้นะก็คือพระสาวกทั้งหลาย ภาษา v o เนี่ยทํากิจรอบรู้ด้วยปริญญาจริงปะหานะสมุทัยได้จริงแทงตลอดนิโรธได้จริงแล้วก็เจริญอริยมรรคคือโสดาปติมรรคได้จริงมันท่านเหล่านั้นะเป็นผู้ทราบคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีส่วนบุคคลที่เหลือนะก็ได้ฟังได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าใช้คําว่าได้ฟังนี่ก็มีบุญมากเลยนะนนนมีบุญมากแล้วอย่าไปน้อยใจเลยเพราะว่าการฟังนี่แหละ พระนรท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะเราจ ะ, ะจะสําเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ฟังแล้วก็ทํากิจของสาวกหรือไม่ของเราได้ฟังกับภาษาวกท่านฟังต่างกันตรงไหนต่างกันตรงว่าภาษาวกท่านฟังแล้วท่านทํากิจของการฟังกิจด้วยเช่นเปรยยากิจท่านก็ทำํำปหานกิจท่านก็ทํากิจในการทําให้แจ้งท่านก็ทํากิจในการเจริญท่านก็ทํานั่นคือภาษาวกส่วนเราเนี่ยก็ได้ยินแหละนะถ้าใครทํากิจก็อนุโมทนาด้วย ใครยังไม่ทําก็ก็รู้ตัวก็ดีแล้วอนุโมทนาอีกเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เป็นพานรู้ว่าเป็นพานก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่ถ้าใครเป็นพานแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะก็อนุรักษ์นิยมนี่ทีนี้คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านะเป็นคําสอนที่บัณฑิตเนี่ยจะเพึงรู้ได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นบัณฑิตเนี่ยรู้ยากในตามอัตตกะาของ อติวุติกาเป็นต้นก็กล่าวว่าเป็นคําสอนที่ที่ลึกซึ้งผู้ไม่มีบุญเนี่ยพึ่งได้ยากคนว่า ง, งั้นถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลเนี่ยทะเลเนี่เอากระต่ายไปอาศัยอยู่ทะเลได้ไหมไม่ได้ฉันใดจะต้องเป็นที่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆ่พระศาสนานี้ก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่จะศึกษาเข้าใจก็นับว่าเป็นผู้มีบุญแต่ถ้าพูดอย่างนี้เอ๊แล้วเราเรามีบุญหรือเราไม่มี เราไม่ควรคิดว่าเรามีหรือไม่มีแต่ควรคิดว่าเราจะทําบุญเนี่ยนะนะเพราะถ้าคิดว่าเราทําบุญนะเราก็จะได้มีกําลังใจเจริญต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราบุญน้อยก็ไม่ไหนะคือจะโทสะไปอีกใช่ไหมโภมนัตอกีกหนักหนักเข้าเราไม่มีบุญก็อย่าไปรู้มันเลยเนี่ยนะนะนะอย่างนีน้อีกพวกนึงก็บอกโอ้เราเนี่ยรู้แล้วก็เลยไม่เอาอีกเหมือนกันก็เลยไม่เรียนแต่เราก็ควรคิดว่าเราจะทําบุญกันละกัน คือคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สอนไว้ให้พวกเรานั่นแหละเรียนอ่ะ น, นะก็เพื่อประโยชน์อนุเคราะห์คนเช่นเรานั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รับมันก็เสียสงไขยแสนกับก็น้าเสียดายมา ก, ก น, นะฟรีเลยนะไม่มีประโยชน์สําหรับเราเลยเหมือนกันเถอะมันในสี่บรรทัดแรกเป็นคาถากล่าวถึงความประเสริฐของพระพุทธเจ้าความประเสริฐของคําสอนและพระสาวกทั้งหลายนั้นจึงเป็นคาถานอบน้อ ม, อมพระรัตนตรัย ส่วนประโยคต่อไปว่าย่อหน้านะว่ า, าศาสนาทั้งสามประการเรียกว่าคําสอนอันประเสริฐในบรรดาสามประการเหล่านั้นปริยัติาศาสนาชื่อว่าสูตรสูตรนี่มีสิบสองบทสูตรทั้งปวงนั้นจัดเป็นพยัญชนะบทคือหมายถึงศับเนี่ยและอัถบทคืออัถทั้งสองอย่างนั้นพึงทราบโดยสังเขปคือโดยย่อว่าศัพทบนี่คืออะไรอัฐนี่คืออะไรคือในบรรดา คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งที่เราจะศึกษาได้ตอนนี้คือปริยัตส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนปฏิเวทก็ยังไม่ถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรมาสนใจคือปริยัติศาสนาถามว่าเอ๊ะนี่แค่ปริยัติบางท่านก็นึกดูดูถูกหรือตําเนียวว่านี่แค่ปริยัตจริงๆคําว่าอย่าว่าแค่ปริยัตนะเพราะคําว่าปริยัตเนี่ยหมายถึงตัวตัวพระพุทธเจ้าเลยหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่าเป็นของเล็กอย่าไปคิดว่าเป็นของน้อยเป็นจริงเป็นของประเสรศิฐเพราะฉะนั้นในอัตถกถาดีกาหรือโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านรับว่าหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นะท่านให้ความสําคัญว่าหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เพราะแต่ละธรรมขันช่วยให้ผู้ทำให้บุคคลปฏิบัติตามบรรลุอริยสัจได้เพราะฉะนั้นเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ศึกษาเรียนรู้รู้คุณของ ประยัตยิธรรมแม้แต่สูตรเดียวก็นับว่ามีประโยชน์มากที่จะช่วยให้เราพ้นทุกเนี่ยนะปริยัตยนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติถ้าตั้งคาถามว่าระหว่างปริยัตยิกับปฏิบัติอันไหนเป็นอายุของศาสนาตอบตรงๆว่าปริยัตยิเป็นอายุของศาสนาเนี่ยนะก็เปรียบเทียบอุปมาเหมือนว่าถ้ายังมีสระน้ำมีรั้วรอบขอบชิดมีคันขอบอย่างดีเนี่ยนะ ถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยน้ําขังอยู่ใช่ไหมถ้ามีน้ําขังอยู่เนี่ยคิดว่าจะมีบัวบานได้ไหมได้ปริยัติครับทาสอนเหมือนกับขอบคันที่ที่เอาไว้ตักน้ําเนี่ยนะบรรพุที่มาศึกษาเรียนรู้พระธรรมก็เหมือนกับฝนตกลงมาเนี่ยถ้ามีน้ําขังเต็มในบ่อน้ําบัวก็บานได้อันนั้นบัวบานก็เหมือนกับการกระสรู้อริยสัตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปริยัตินี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องบาตแล้วก็เป็นอายุของพระาศาสนา พระศาสนาที่เสื่อมเพราะปริยัติเสื่อมเนี่ยนะเพราะว่าปริยัตินี้เป็นจะเรียกว่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์ก็แสดงอย่างนี้แหละเนี่ยนะคือทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายนะพะองค์ก็สอนอย่างเดียวกันเนี่ยนะแรกแตรัสรู้ยังไงใกล้จะนิพพานก็สอนอย่างนั้นแต่อาจจะใช้พยัญชนะต่างกันบ้างแต่เนื้อหาไม่มีความแตกต่างกัน แรกตรัสรู้ก็ประกาศอริยสัจใกล้จะปรินิพานก็ประกาศอริยสัจแรกตรัสรู้นะพระองค์อย่างแสดงธรรมาจากก็ประกาศอริยสัจใช่ไหมเอาแล้วตอนปรินิพานล่ะแสดงความไม่ประมาทชื่อว่าประกาศอริยสัจไหมประกาศความไม่ประมาทคือมรรคสัจเพราะฉะนั้นอย่าเจริญมรรคสัจด้วยความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทเป็นชื่อของการไม่ปราศจากสติก็คือมรรคสัจนั่นเองแม้แต่ตอนท้ายก็ยังประกาศมรรคสัจนี่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีพ้นอริยสัจอะไร ทีนี้ในคำสอนว่าด้วยปริยัติศาสนาแบ่งออกเป็นสองคือโดยอัดและโดยพยัญชนะคืออัดถากับพยัญชนะทีนี้ในอัดกับพยัญชนะก็แบ่งเป็นอย่างละหกอัดมีหกพยัญชนะมีหกซึ่งจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งในหน้าแปดเนี่ยนะอัดหกพยัญชนะหกอยู่หน้า 8. แปดลองนะลองพลิกไปดูนะอยู่หน้าแปดข้อยี่สสามยี่สบสี่ อย่างเช่นพยัญชนะก็คืออักขระบทพยัญชนะนิรุ tn ิเทศอาการอนนันอย่างนี้เรียกว่าพยัญชนะบทส่วนอัฐบทมี6กนะคือสังกาสนาปกาสนาวิวารณาวิภัชนาอุตนีกรร ม, มะปัญญติ6ประการนี้เรียกว่าอัฐบทเพราะฉะนั้นพยัญชนะกับอัฐะเหล่านี้จะได้แสดงกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหาระสิก็คือคําอธิบายพยัญชนะนะนะ หาระสิหคือคำอธิบายพยัญชนะส่วนนยะคืออธิบายอาัฐนั่นนะเพราะฉะนั้นทั้งคำพีเนติ ป, ปกรณ์คือคำพีที่ทำให้รู้จักอัฐกับพยัญชนะนั่นเองว่าเออศัพท์เนี้ยสามารถมองได้กี่แง่มุมเหมือนกับว่าใครไปเลือกซื้อของอย่างหนึ่งเนี่ยนะปกติเนี่ยไม่ใช่เห็นแล้วซื้อเลยใช่ไหมหรือว่าเอามาเลือกดูโดยรอบก่อนเนี่ย น, นะ คือรกว่าดูจนรอบหมดนะนะแม้กระทั่งสอบถามราคาถามราคาเทียบกับที่อื่นทั้งหมดแล้วอนะ่ะจึงตัดสินใจซื้อหนึ่งอย่างฉันใด อ, อย่างเราอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกันเนี่ยผู้ที่เรียนเนตติ ป, ปกรณ์จะมองคําสอนในพระไตรปิฎกโดยรอบเห็นแล้วจะมองโดยรอบทีนี้อาการที่จะมองโดยรอบเขาก็มีวิธีมองเนี่ยนะวิธีพิจารณาที่จะให้เห็นโดยรอบนั่นก็คือหาราสิบหกเป็นต้นนั่นเองที่จะกล่าวต่อไป นะแต่ว่ารวมย่อๆใจความของพระไตรปิฎกก็มีอยู่สองอย่างวันั้นเถอะที่พระพุทธเจ้าสอนนะคืออัดกับพยัญชนะมีเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะคืออัดกับพยัญชนะอัดมีหกนะพยัญชนะมีอีกหกอันนี้ก็ถ้าใครมีบุญก็จํานะถ้าใครไม่มีบุญก็ท่องถ้าใครขี้เกียจท่องก็อ่านบ่อยๆใครไม่อ่านบ่อยก็ว่าซ้าๆก็ได้ นัสรุปว่าประยัตปิศาสนะแบ่งออกเป็นสองคือสูตรประยัตเรียกว่าสูตรสูตรแบ่งเป็นสองคือพยัญชนะนะคำพูดกับเนื้อความหรือเนื้อหาของคำพูดคำพูดมีหกเนื้อความเนื้อหามีอีกหกนันเทีนี้ก็มาขึ้นตัวคัมภีร์เนติว่าคัมภีร์เนตินี้โดยสรุปเนื้อหามีหาระสิบหกมีนัยยะห้าแล้วก็มีมูลบทสิบแปด ซึ่งช่วยให้เข้าใจปริยติศาสนาพระมหากัจจายนะเถระแสดงไว้แล้วในคาถา 5, 5บันทัดกลางเนี่ยนะเป็นคำประกาศถึงลักษณะปริยติศาสนาของพระพุทธเจ้าปริยติศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองคืออัดกับพยัญชนะส่วนคำพีเนติปรกรณ์เนี่ยกล่าวถึงหาระ16ในยะหมูลบท18 น, นะ ทั้งหาระสิบหกนัยยะห้ามูลบทสิบแปดเป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจอัดกับพยัญชนะเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจอัดกับพยัญชนะถ้าถ้าพูดอีกในหนึ่งวิชาว่าด้วยการตีความคําสอนก็ไม่ผิดนะเธอคือเอาหลักอ่ะมีหลักอ่ะในการไปตีความคําสอนทีนี้ท่านก็สรุปว่าหาระทั้งหลายหาระนี่สิบหกนะช่วยการพิจารณาศัพท์ของสู่ นยะสนยะ3าอย่างคือนันทิยาวัตนัยติปุคละไนสีหาวิกีลิตะไนเนี่ยนะอันนี้ช่วยพิจารณาอัดของสูตรหาระและนยะทั้งสองอย่างนั้นสามารถนําไปใช้ได้ในสูตรทั้งตัวสรุปว่าคัมภีร์เนติปรกรเนี่ยนะไปใช้ได้ในพระไตรปิฎกหมดเลยเนี่ยนะเห็นพระไตรปิฎกเอาหลักคือเนติปรกรเนี่ยไปพิจารณา คำภีเนติปกรณที่เป็นสังวรนนาสูตรนี้ขยายความตามสมควรแก่สังวันเนตพสูตรนะก็สองคำอีกนะสังวรนนากับสังวันเนตพะสังวร น, นาแปลว่าคําอธิบายสังวันเนตพสแปลว่าควรอธิบายอย่างเช่นว่าสังวันเนตพสหมายถึงพระไตรปิฎกคือต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งสังวรนนาคือเนติ ป, ปกรณเป็นตัวอธิบายพระไตรปิฎกนะ ถ้าพูดในหนึ่งก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นคนเทศท่ามหากจายนะเป็นคนอธิบายแ่านั้นเถอะสังวันเนตพระตัวนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธพจน์สังวันนาหมายถึงท่ามหากักจายนะผู้แสดงอธิบายให้เห็นนนี่ยะก็คํานวณ ว, ว่าต้องตีความแบบนั้นเถอะอันนี้ให้คนเขารู้นะเขาตีให้ฟังเดี๋ยวเราคนไม่รู้ไปตีเองเลยเดือดร้อนเหมือนกันผู้ศึกษาทงาพงทราบพระบาลีและอัดแห่งพระบาลีทั้งสองอย่างนั้น ในการศึกษานั้นหาระและนยะที่จะกล่าวต่อไปเป็นลำดับนี่เป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจอัดแห่งพระพุทธพจน์อันมีองค์9อัดก็คืออัด6ประการน่ะ น, นะพุทธพจน์เนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหพุทธพจน์นะนับหนึ่งก็ได้นับ2ก็ได้นับสาก็ได้นับห้าก็ได้นับ9 ก, ก็ได้นะคำสอนพระพุทธเจ้านะนับหนึ่งคือมีจุดประสงค์อันเดียว เพื่อวิมุตติรสเหมือนน้าทะเลเนี่ยนะทะเลถึงจะไปลงที่ประเทศไหนก็ตามถ้าดื่มแล้วเค็มเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ทะเลสาบนะทะเลสาบนี่แปลว่าจุดสาบเป็นภาษาเขมรทะเลสาบนะสาบนี่เป็นภาษาเขมรสาบแปลว่าจุดทะเลสาบแปลว่าจุดทะเลจืดตอนนี้ย้อนมาที่ที่กล่าวไปเนี่ยนะที่ที่จะกล่าวนี้หมายถึงว่าพระไตรปิดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คำสอนที่พระพุทธเจ้าเทศตั้งแต่แรกตรัสรู้กับหลังก่อนปรินิพพานมีจุดมุ่งหมายอยู่อันเดียวคือวิมุตติรสความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมัน่นแปลว่ามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนันี่หลักสองแบ่งเป็นธรรมกับวินัยเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสองคือธรรมกับวินัยธรรมก็คือรักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ววินัยก็คืออุบายเป็นเครื่องฝึกกายวาจาเป็นต้นนั่นเอง ส่นแบ่งเป็น3ก็คือไตรปิฎก3ามไตรปิฎกก็ว่าไปก็คือศีลสมาธิปัญญาวินัยปิฎกเป็นศีลพระสุตตันตปิฎกเป็นสมาธิอภิธรรมปิฎกเป็นปัญญาศีลกําจัดโทสะสมาธิกําจัดราคะปัญญากําจัดโมหะถ้าแบ่งเป็น5ก็ได้เรียกว่าองค์อนิกาย5้ทีคณิกายมัชฌิมนิกา ย, กายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและคุทธกานิกายทีคนิกายมีกี่สูตร 34สูตรมัชฌิมานิกายมี152สูตรสังยุตตนิกายมี7จ็ดสูตรอังคุตรนิกายมี9557สูตรนไส่วนคัมภีคุตกานิกายเนี่ยในพระสูตรมี15คัมภคำพีวินัยก็สงเคราะห์เป็นคุตการนิกายอภิธรรมก็สงเคราะห์เป็นคุตกนิกาย แต่ถ้าว่าโดยองค์ก็มีองค์เก้านะคือสุตตะเคยยะเวยาการณาคาถาอุทานิติพุตกะชาตกะพภูตธรรมเวทะระถามว่าสุตตะเป็นต้นดูได้จากที่ไหนเขาบอกว่าถ้าใครเปิดพระไตรปิฎกนะหน้าแรกๆตรงคำนำนั่นแหละจะบอกว่าองค์เก้ามีอะไรบ้างถ้าเปิดพระไตรปิฎกอ่านบ้างก็จะรู้ว่าเออองค์เก้าประกอบไปด้วยอะไรจะไม่ถามว่าคืออะไรบ้างออทั้งหมดเนี่ยนะที่กล่าวไปเนี่ยคือสังคหาวาระ เนื้อความโดยสรุปของคมภีเนติปกรณ์ซึ่งย้อนมาอีกครั้งว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าคือโดยเฉพาะปริยัติเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคืออัดกับพยัญชนะอัดนี้แบ่งออกเป็น6พยัญชนะแบ่งออกเป็นหกอันนี้ น, นี่คือคําสอนนะเสร็จแล้วพระมหาการยนะเนี่ยท่านแสดงคำภีหเนติปกรณ์กล่าวถึงหาระ16บหยยะห้ามูลบท18 เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจอัฏฐกับพยัญชนะอนั้นทีนี้ย้อนมาถึงคําว่าคำภีเนติปกรณ์เนี่ยนะคำภีเนติปกรณ์นี่หมายความว่ายังไงเอ่อในข้อความสุดท้ายนี่ครับผู้ศึกษาพึ่งทราบ พ, พระบาลีและอัดแห่งพระบาลีทั้งสองอัดแห่งพระบาลีในที่นี้กับอัฏฐพยัญชนะหรือว่าอัฏฐกถานเนี่ยครับ จะแตกต่างกันยังไงไหมครับพระบาลีนั่นแหละคือคือศัพท์พระบาลีคือศัพท์อัฏฐะแห่งพระบาลีนั่นแหละคืออัฏฐะแลอัตตกถาแล้วครับก็อัตตกถาก็คืออัฏฐแห่งพระบาลีอีกเหมือนกันอันเดียวกันคือสิ่งเดียวกันครนะพระบาลีอ่ะคือศัพท์หรือคือพยัญชนะเนื้อความแห่งพระบาลีเนี่ยคืออัฏฐพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยสมบูรณ์ทั้งอัฏฐและพยัญชนะคําว่าอัฏ ก็คือสมบูรณ์ทั้งอัดและพยัญชนะเนี่ยพยัญชนะใช้ถ้อยคําสมบูรณ์หมดเนื้อความเนี่ยก็เข้าใจถูกต้องเขามีอย่างนี้ว่าคําพูดใดที่ไม่มีอัตถะคาพูดนั้นไร้ประโยชน์เนี่ยนะคำพูดใดเนี่ยที่ตั้งคําพูดไว้ไม่ดีเนื้อเนื้อหาก็คลาดเคลื่อนแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นอย่างนั้นสมบูรณ์ทั้งคําพูดสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาเนี่ยนะ